บทภาชนีติกะปาจิตตีเกิน2อถึงสชั้นภิกษุสำคัญว่าเกินดำเนินการต้องอบัตปาจิตตีเกิน2อถึงสชั้นภิกษุไม่แน่ใจดำเนินการต้องอบัตปาจิตตีเกิน2อถึงสชั้นภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าดำเนินการต้องอบัตปาจิตตีทุบทุกกฎย่อนกว่า2อถึงสชั้นภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอบัตทุบกฎ ย่อนกว่า 2-3 ถึงชั้นภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎยอนกว่า 2-3 ถึงชั้นภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าไม่ต้องอบัต